เอา้าตั้งคิด ต, ตั้งใจเด้อภาวนาเป็นการปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดามารดาบิดาของเราครูบาอาจารย์ของเรานะไม่ได้ สัมาราทิกฐิได้บูชาคุณของท่านท่านเลี้ยงดูเรามาท่านอบรมเรามาบูชาคุณของท่านนะให้จิตเยือกเย็นจับอารมณ์อย่างเดียวอาณาปานสติ ก็ตรงตัวอยู่แล้วอาณาก็แปลว่าลมหายใจเขา้าปานะก็แปลว่าลมหายใจออกสติก็แปลว่าลัน ล, ลึกรู้ลันลึกรู้ละลึกได้ ล, ลันลึกรู้อะไรรูล้ลมหายใจเข้าออกอย่างที่อาณาปานะสตินี่ พระพุทธองค์ตัดแสดงไว้ดีแล้วาผู้ใดนำไปปฏิบัติผู้ใดเจริญแล้วนั่นแหละทำให้มากแล้วย่อมได้เกตโตวิมุตติอิจลุพนจากขันห้าตอนนั่งสมาธิเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็จะได้ปัญญาวิมุตติ จิตหลุดพ้นจากขันห้าสิ้นอาสวะกิเลสในทิฏฐธรรมนี้หนระือหากยังมีอุปธิเลีย อ, อยู่ก็จะได้เป็นพระนาคามีฉะนั้นอาณาปานสตินี้ก็ได้ทั้งสองอย่างบางคนอาจจะได้ คิดว่าจะได้เพียงสมถะอย่างเดียวพระพุทองค์ตัดแล้วได้ทั้งสองอย่างได้เกโตวิมุตติปัญญาวิมุตติด้วยได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเวลาจับอารมณ์ให้ใจนะให้มีสติ สติรู้ว่าลมเข้ายาวก็ให้รู้ชัดๆออกยาวก็ให้รู้ชัดๆคำว่าชัดเนี่ยก็ให้เห็นไม่ใช่เห็นพอลางๆพอวับวับแบมแบมรู้พอวับว บ, บแบมแบมอืม รู้ชัดๆต้องเห็นมันเด่นมันชัดเข้าไปมันไปถึงไหนดูเข้าไปต้นของลมเริ่มที่ไหนเอาสติตั้งไว้ตรงนั้นแล้วตรงปลายมูกนี่ต้นของลมเข้าใหม่ๆเรียกว่าต้นมันเข้าไปก็เรียกว่ากลางของลม ออกมาสุดเข้าตรงไหนมันออกมาสุดตรงนั้นนะเห็นมันเข้าเอาไปามาถ้าเราดูอยู่อย่างนี้ทีแรกเราตามลงไปเห็นตามออกมาจนมันสุดปลายจมูกถ้าไม่เห็นสุดไม่เห็นเข้าไม่เห็นออกนะ ที่เน้นอยู่นี่ก็เน้นตรงต้นลมคือเห็นมันเข้าชัดๆออกก็เห็นมันออกชัดๆสุดปลายจมูกเราจะไม่ง่วงไม่ซึมที่ง่วงที่ซึมอยู่นี่ก็เพ้อสติไม่ไม่ฝึกสติไม่ดูลมไม่ตามดูลม ต้องให้เห็นลมต้นลมมันเข้าไปก็เห็นเข้าไปก็ออกมาก็เห็นเห็นมันสุดนะสุดปัดตอนลมมันสุดปลยจมูกจิตเราจะเห็นสติเราจะเห็นความว่างว่าง ว่างนันเห็นไหมล่ะเห็นไหมพูดอยู่นี่ก็ทาไปด้วยนะเห็นมันว่างไหมสุดปัดออกมาก็ว่างว่างชั่วขณะหนึ่งเห็นนะต้องเห็นนะถ้าไม่เห็นง่วงนอนไม่ง่วงนอนกิจก็ส่งไปที่อื่นกิจไม่ดูลมให้กิจกับลมต้องแนบสนิทติดกันอยู่อย่างนี้ รู้ลมเห็นเราอยู่อย่างนี้เห็นมันสุดไหมเนะ่ไม่ใช่ทำครั้งเดียวนะต้นลมเข้าก็เห็นมันเข้ายาวก็รู้ชัดว่ายาวออกยาวก็รู้ชัดออกยาวตอนนี้ตอนมันออกมาเนี่ยลมมันจะสุดมันจะทิ้ง ในลมนี่มันก็มีตัวกิจคือผู้รู้อยู่ในนั้นกิจคือผู้รู้อาศัยอยู่ในลมหายใจลมหายใจนี่แหละเรียกว่าวิญญาณพระพุทธองค์เรียกว่าวิญญาณวินคือลมมันหมุนเข้าแล้วก็หมุนออกจากต้นมันถึงปลายจากต้นก็กลับมาถึงปลายลมพัดออกหมุนเข้าไปอีกจึงว่าวิน ภาษาบาลีภาษาละตินเรียกว่าวินส่วนตัวจิตอยู่ในลมก็เรียกว่าญานสองคำสองพยานเรียกสมัดสมทิกันเรียกว่าวิญญาณตัววิญญาณ น, นี่แหละคือตัวเราแท้ๆอ่าบางทีท่านก็เรียกว่าขันห้า ฟังให้ออกลมหายใจนะั่นคือรูปลูบละเอียดกายละเอียดหรือเรียกว่ากายในหรือเรียกว่ารูปภายในตัวจิตนั่นหรือตัววิ ญ, ญญาณท่านเรียกว่าจิตหรือเรียกว่าใจแล้วก็เห็นว่าลมหายใจนี่ก็คือกายกับใจของเรานั่นเอง กายละเอียดกายกับใจนี่ท่านก็เรียกว่าลูกทำนามทำลูกทำนามทำนี่ท่านเรียกว่าขันห้าสมมติว่าขันห้านี่รู้จักขันห้าไหมขันละเอียด รูปธรรมนามธรรมคือขันหะคือกายกับใจต้องทำความรู้เท่าลมให้ใจอย่างนี้อ๋อลมให้ใจนี่ก็คือวิญญาณคือตัวของเราลมให้ใจนี่ก็คือรูปกับนามลมก็คือกายในคือรูปกายละเอียดคือรูปธรรมส่วนตัวนามธรรมก็คือใจ ในลมให้ใจนี่ท่านจึงเรียกว่ากายกับใจลมหายไกายกายหายไปลมหายไปแต่ใจเหลืออยู่ใจก็วิ่งเข้าไปวิ่งออกมาอยู่นี่ลมหายใจเหลืออยู่นี่ชื่อว่าลมหายใจลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่นี่เรียกว่าเกิดดับนี่ไม่ไม่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ การภาวนาจึงจะสำเร็จถ้าไม่รู้เรื่องมแต่คู่บายจานว่าให้จับอารมณ์ให้ใจเขาออกก็ได้สามารถถาอยู่ถ้าจับไปจับมาก็ได้สามารถถาได้เกตโตวิมุตย์อยู่ส่วนปัญญาวิมุตย์นั้นเรายังไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจมันจะได้แต่เจโตวิมุตเมื่อลมหายใจแล้งับดับลงก็จะเลื้อตั้งแต่กิจ ค, คือผู้รู้รู้รู้อยู่นะซึ่งอาณาปานสตินี้ท่านเขียนเอาไว้ตัดเอาไว้สิบหกชั้นสิบหกข้อ แบ่งออกเป็นสี่หมวดหมวดละสี่ที่แจกเอาไปให้ดูเพื่อจะได้จำให้ได้ข้อที่หนึ่งหมวดที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็เรียกว่าหมวดที่หนึ่งเรียกว่าเห็นกายในกาย หรือเรียกว่ากายานุปัสนาปฏิปทานเห็นกายก็เคยร่มให้ใจนั่นแหละคือกายวิ่งเข้าไปในกายหยาบ ก, ก็เห็นกายในกายไมไ่เห็นอื่นให้เห็นไม่เห็นที่อื่นให้เห็นกายหรือท่านเรียกว่ากายานุปัสนาปฏิปทาน เอากายนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งการพิจารณาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการกระทําให้เกิดปัญญาเนี่ยข้อนี้หรือเห็นกายในกายหรือกายญานุปัสสนาปฏิปทานเอากายนี่แหละเป็นฐานที่ตั้ง ในการกระทําให้เกิดปัญญาเกิดสมาธิเกิดปัญญากล้ในที่นี่ก็คือลมหายใจนี่แหละให้วิตกวิจารวิตกก็แปลว่าตึกวิจารก็แปลว่าตรองวิตกวิจารอยู่ลมหายใจ ว่าเข้ายาวมันเป็นยังไงเข้าสั้นเป็นยังไงยาวเกินไปรู้สึกเป็นยังไงสั้นเกินไปรู้สึกเป็นยังไงลมหายใจหยาบรู้สึกเป็นยังไงลมหายใจละเอียดรู้สึกเป็นยังไงให้วิตกวิจารอยู่หรือตึกตรองอยู่อย่างนี้ อันเนี้ยข้อเ น, นี้ยให้เอากายเอาลมวิจารณ์ดูกายวิจารณ์ดูลมให้ใจในี่เองถ้าไม่วิจารณ์มันจะง่วงนะเข้เายาวละเอียดออกยาวละเอียดถ้าลมหยาบอารมณ์เราเป็นยังไง กายก็หยาบลมหายใจหยาบกายนอกกกหยาบร้อนขึ้นมาเหมือนกันลมหายใจละเอียดกายนอ ก, ก็ละเอียดกายในละเอียดจิตก็ละเอียดด้วยให้สังเกตอยู่อย่างนี้อันนี้เรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปทานซึ่งท่านเขียนไว้สี่ข้อข้อที่หนึ่งว่า ทีข้างว่าอัดสะสั้นโตรู้พร้อมรู้ทีข้างว่าทีฆะแปลว่ายาวรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวชัดชดัทีข้างว่าอัดสะสั้นโต เห็นไหมละ่ะลมยาวเข้าต้นลมปลายลมสุดมันจะเห็นเกิดเห็นดับเห็นลมออกมาก็เรียกว่าวิญญาณตายวิญญาณดับเข้าไปก็วิญญาณเกิดเราเกิดนะเห็นไหมเห็นชัดชัด ออกมาเวลาเวลาเข้าสั้นทช่ก็เห็นชัดๆว่ามันเข้าสั้นเวลาออกสั้นก็เห็นชัดๆว่ามันออกสั้นไม่ใช่เห็นพอวับๆแบมๆเห็นจ่าจ่เห็นชัดๆมันกระทบเข้าไป มันกระทบออกมามันก็กระทบมันจะวาว่างมันจะมาทิ้งซากศพของเราเอาไว้ตอนลมสุดปัดออกมานี่ปลายลมวิญญาณจะมาทิ้งซากศพเอาไว้ขนาดหนึ่งเข<ม>าเรียกว่าเราตายคันิกะมอระนังตายชั่วขณะ แล้วก็วิ่งเข้าไปอีกเกิดอีกวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็เกิดก็ใจอยู่นี่แหละกายของเราจิตของเราขันห้าของเราเกิดดับเกิดใจ อ, อย่างนี้ที่ครั้งว่าอัฏฐะสั้นโตนั่นเห็นเข้ายาวออกยาวลัดสั่งว่าอัฏฐะสั้นโต รู้ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นวิตกวิจารณ์อยู่อย่างนี้วิจัยอยู่อย่างนี้เอาต่อไปท่านก็ให้รู้ข้อที่สามสัพพกายังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงกายทั้งปวงนี่ก็หมายถึงกายหยาบ กายละเอียดกายหยาบก็กายเนื้อกายหนังนั่งอยู่นี่แหละมีทุกคนกายละเอียดก็คือลมหายใจมันเข้ามันออกอยู่นี่อยู่ในกายหยาบนี่เห็นกายในกายอยู่นี่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงสัพพกายังปฏิสังเวที กายทั้งปวงหมายถึงกายหยาบกายละเอียดหมายถึงลมหายใจรู้มาลมหายใจมันไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปดูไปดูมามันจะมารวมกันอยู่ที่ตรงเข้าตรงออกนี่เองเราไม่ได้ตามดูทีแรกตามดูนะตามลมเข้าไปเอาไปมาไม่ตามนะเห็นเข้าเห็นออก เห็นเกิดเห็นดับนี่เอาแววมาลมหายใจแล้วจะรู้เฉพาะเกิดดับเท่านี้รู้เฉพาะเข้าออกเท่านี้มารวมกันอยู่ที่นี่เสร็จแล้วข้อที่สี่หมวดที่หนึ่งข้อที่สี่ท่านว่าปัดสัมพยัง กายสังขารังทํากายสังขารให้ลํางับดับลงคําแปลมันนะไม่ได้เขียนแปลเอาไว้ให้ชัดทํากายสังขารให้ลํางับดับลงกายสังขารในที่นี้หมายถึงลมหายใจเข้าออกท่านเรียกว่าอัดซาสะปัดซาสะคือกายสังขารล้มเข่าล้มออกนั่นแหละ ท่นเรียกว่ากายะสังขารทํากายะสังขารให้ลำงับดับลงปัดสัมพะยังกายะสังขาหลังเมื่อลมหายใจลำงับดับลงแล้วเราพยายามผ่อนลมลงหรือเพ่งดูอยู่งั้นเพ่งอยู่ที่ลมหายใจวิตกวิจารอยู่ที่ลมหายใจ เอาไปเอามาก็จะเกิดปีติสุขขึ้นมามันมันไม่คนละอันกันนะมันต่อกันปีติสุขวิตกวิจารณ์อยู่อย่างนี้ว่าเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้วิตกวิจารณ์ดูวิจัยดู ถ้าลมหายใจยาวเกินไปสั้นเกินไปถ้าลมหายใจหยาบเป็นยังไงลมหายใจละเอียดเป็นไงวิจัยดูอย่างนี้วิจารณ์ดูอย่างนี้ก็จะเกิดปีติขึ้นมาหรือทำลมหายใจให้ระงับดับลงก็จะเกิดเห็นจิตขึ้นมาเท่านั้นข้อที่หนึ่ง ข้อที่สี่หมวดที่สามหมวดที่หนึ่งปัมทพยังกายสังขารังทํากายสังขารให้ลํางับคือทําลมหายใจให้ดับลงลมหายใจดับลงในลมหายใจมันมีอะไรล่ะฮะมันมีอะไรในลมอ่ะหืเข้าใจไหม มันมีตัวเราคือผู้รู้อยู่ในนั่นรู้ลมก็เห็นเราผู้รู้ก็อยู่ในลมเราก็อยู่ในลมรู้ลมเห็นเราก็เรียกว่าภาวนาทำลมหายใจให้ใหละนับหลบลงก็เห็นเราโผล่ขึ้นเราคือผู้รู้เราคือจิตจิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ในลมหายใจ เมื่อลมหายใจลำงับดับลงปัดสัมพยังกายและสังขารเราก็จะเห็นอะไรความรู้ ร, รู้รูู้เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นผู้รู้นี่แหละคือจิตผู้รู้นี่แหละคือพุโทโธอืมเราก็จะเห็นพุโทโธขึ้นมา พุโทโธไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าอยู่ประเทศอินเดียมีอยู่ทั่วทั่วทุกตัวเราใครก็มีหมดพุดโทโธแต่เราไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราดับลมหายใจยังไม่ได้ถ้าดับลมหายใจลงได้เราก็เห็นพุโทโธเท่านั้นเห็นไหมล่ะดับลงได้ไหมล่ะบังคับลมดับได้ไหม ผ่อนลงผ่อนลงกายละงับจิต ก, ก็ละงับจิตละงับก็คือความนึกคิดปรุงแต่งละงับดับลงกายก็คือรูปจิต ก, ก็คือนามรูปกับนามก็คือขันห้ากายละงับจิตระงับก็คือขันห้าละงับดับลง แล้วก็ได้เกโตวิมุตติกิดหลุดพ้นจากขันห้าทเป็นธรรมชาติว่าสว่างผ่งองใสนี่ก็ได้แค่นี้ก็ได้สมถะได้เกโตวิมุตติกิดหลุดพ้นจากขันห้า นี่พระองค์ตัดแสดงไว้ดีแล้วอาณาปานสติเป็นธรรมบทหนึ่งเมื่อบคุคคลเจริญให้มากทำให้มากย่อมได้เจโตวิบุตรเนี่ยจะได้อย่างนี้ลมหายใจนี่แหละถ้าเราทำลมลงในลมหายใจนี่นี่คำสอนของพุทธเจ้าบทหนึ่งสอนว่าอย่างนี้ อานาปาณสติสูตรสูตรที่ว่าด้วยลมหายใจเมื่อมูคคนใดจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตรนี่มันจะได้อย่างนี้ทำไปทำมาลมหายใจระงับดับลงลมหายใจก็คือกายความรู้สึกนึกคิดก็คือจิตกายระงับจิตระงับ กายละหูกิจละหูกายละงับกิจละงับหรือเรียกว่าปัดสัตธิพระองค์เรียกคําหนึ่งว่าปัดสัต thi กายละงับกิจละงับกายมาถึงลมหายใจละงับไหมละดับลงไหมละ่ะฮะลมหายใจก็คือรูปธรรมในลมหายใจก็คือนามธรรมคือจิตจิตก็ละงับขันห้าก็ดับลง ท่านเรียกว่าเจโตวิมุตตนะ์น่ะกิจหลุดพ้นจากขันหนะ้าต้องเข้าใจอย่างนี้อยากได้เจโตวิมุตต์ก็ทําอย่างนี้กิจหลุดพน้นจากขันห้าในตอนเข้าสมาธิอยู่<ม>เรียกว่าเจโตวิมุตต์หรือเรียกว่าวิกมปนวิมุตต์วิกขปนะแปลว่าสกดลฌานสะกุ ขันห้าเอาไว้สมาธิคมขันห้าเอาไว้ขันห้าหยุดทํางานหรือดับขันห้าได้ท่านอุปมาอุปไมยเหมือนหินทับยาชานสะกดขันห้าชาญเปรียบเสมือนหินทับขันห้าเอาไว้ขันห้าหยุดทํางานจึงเรียกว่าเจโตวิมุติ ใครอยากได้ก็ทำเอาไนะคุ้มลมอย่างเดียวไม่ได้ไปหาอย่างอื่นอุปกรณ์ก็มีลมให้ใจคุ้มลมให้ใจลงกายละงับจิตละงับลงก็จิตก็หลุดพ้นจากขันหากายก็คือลมจิตก็คือความนึกคิดปุงแต่งจิตก็เหลือจะเป็นวิสังขาร ไม่มีอะไรปรุงแต่งกิจกิจจึงเรียกชื่อว่าวิสังขารเป็นผู้รู้รู้รู้อยู่จึงเรียกว่าพุทโธว่างเป็นธรรมชาติอยู่ก็เรียกว่าธรรมโมไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นพุทโธธรรมโมผู้รู้ว่าว่างผู้รู้ว่าสงบผู้รู้ว่าเป็นพุทโธธรรมโมก็คือเราเราก็คือสังขารนี่ พุทโธธรรมโมสังโฆเนี่ยมันก็อยู่ที่เดียวกันนี่ก็เรียกว่าเราเห็นพุทธธรรมสงภายในเกิดมาไม่เสียชาติเกิดถ้าไม่เห็นพุทธธรรมสงภายในเขาเรียกว่าโมฆบุรุษโมฆสตรีเกิดมาเปล่าประโยชน์ไม่มีสาร ะ, ะที่พึ่ง ตายก็ตายไปปป่าแล้วพวกเราดีไม่ไปตกนรกหมกไม่ไม่ไปตกอบายภูมิฮะให้เข้าใจอันนี้เรียกว่าเจโตวิมุตตนี่เห็นกายในกายทาหมวดแรกเอากายมาเป็นเอากายคือลมหายใจ มาเป็นเครื่องรูปของจิตมาเป็นเครื่องและลกของสติเอาลมให้ใจนี่มาวิตกวิจารณ์เอาทำบทใดบทหนึ่งมาวิจัยดูทำก็คือลมให้ใจนี่มาวิจัยดูเมืลมอ่อนลมยาวลมสัน้นลมหนักลมเบาลมระงับดับลงมันเป็นยังไงนี่วิจัยดูอย่างนี้ กายานุปัสสนาปฏิปทานนะั่นเอากายเป็นฐานที่ตั้งเห่งกันกระทาให้เกิดปัญญาวิปัสนาไปว่าปัญญาต่อมาเมื่อเราได้บทแรกแล้วก็ครอบไปถึงหมดทุกบทั้งห นะบทแรกเนี่ยเมื่อเราวิตกวิจารลมเข้าลมออกอยู่อย่างนั้นวิตกวิจารแปลว่าวิตกวิจารดูลมให้ใจเข้าออกยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดหยาบเป็นยังไงละเอียดเป็นยังไงวิตกวิจารดูวิจัยดู มเมื่อลมระงรับดับลงมันเป็นยังไงเมื่อวิตกวิจารณ์ไปมาอยู่นี้กิตของเราก็จะเกิดปีติแล้วก็เกิดสุขขึ้นมาหมวดที่สองปีติปฏิสังเวทีเราก็จะเห็นปีติเกิดขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าเราจับอารมณ์ได้ก็เกิดปีติ เข้าใจไหมปิติเกิดความสบายอิ่มเอิบสบายขึ้นมาปิติแล้วก็จะเกิดสุขขึ้นมาหมวดที่สองเรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาหมวดที่สองสี่ข้อปิติปฏิสังเวทีเมื่อเราดูลมให้ใจไปมาอยู่ ที่ตกวิจาร์อยู่กับลมให้ใจว่าสั้นว่ายาวว่าหยาบละเอียดมันเป็นยังไงก็จะเกิดปีติขึ้นเมื่อเกิดปีติสุขก็จะตามมาทันทีสุขะปฏิสังเวทีปีติสุขนี่แหละพระพุทธองค์เรียกว่าเวทนาเราจะเห็นเวทนาเกิดขึ้นเนี่ย เวทนาเกิดขึ้นในใจเราปิติปฏิสังเวทีก็รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติเมื่อหายใจเข้าหายใจออกสุขะปฏิสังเวทีรู้พร้อมซึ่งสุขรู้ว่าสุขสุขะปฏิสังเวที ในที่เราเขียนไว้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขมันจะสุกนะเมื่อปีติเกิดขึ้นแล้วมันก็จะสุกปีติสุขนี่มันจะไปปรุงแต่งกิตของเรานะ ปกติกิของเราจะล้ยวูอยู่เฉยๆเมื่อปีติสุขเข้าไปประกอบกิจไปปรุงแต่งกิจกิตก็เรียกชื่อใหม่ว่าสังขารสังขารกิจก็เป็นสังขารขึ้นมาเป็นกิจปรุงแต่งขึ้นมาเราก็จะเห็นเกิดขึ้นมากิตตะ ปฏิจังอ่ากิตตสังขาระปฏิสังเวทีเราจะรู้พร้อมซึ่งกิตตสังขารเห็นอารมณ์ไปประกอบกิจกิจเราก็จะเป็นสังขารกิจขึ้นมากิตตปฏิกิตกตสังขาระปฏิสังเวที รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารเข้าใจคำว่าจิตจิตสังขารไหมเวทนาไปปุงแต่งสุขปิติสุขนี่เรียกว่าเวทนามันไปประกอบกจิตจิตจึงเป็นสังขารขึ้นมากิตตัปป กิตตสังขาระปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกิตตสังขารรู้ว่าจิตของเราถูกสุขถูกปีติไปปรุงแต่งสุขปีติก็คือเวทนาไปเกิดที่จิตก็เรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนา แล้วเราก็จะดับเวทนาให้ลงปัดสัมพยังกิตตะสังขารังดับกิตตะสังขารกิตตะสังขาร น, นี่แหละคือปีติสุขคือเวทนาจะดับเวทนาลงนะดับเวทนาลงให้ได้ เอาแววมาก็ดูไปดูมาเวทนามันดับเวทนาดับกว่าปัตสัมพยังกิตตะสังขลังทำกิจสังขารให้ลำงับดับลงก็คือดับเวทนาลงนั่นเองก็ขึ้นไปหมวดที่สกิตตะปฏิสังเวทีเมื่อเวทนาดับลง สังขารกิตดับลงนะก็จะเหลือตั้งแต่กิตล้วนเป็นผู้ลู่ลูล่ลูท่านก็เรียกว่ากิตตปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกิตนี่หมวดที่สามข้อที่หนึ่ง ต่อไปก็จะเป็นข้อที่สองหมวดที่สามอาภพิปปะโมถ้ายังกิดตังปะปามทนั่นแหละท่านเรียกย่อว่าปะโมทยังอภพิปปะโมถ้ายังกิดตังแปลว่า ทรรมกิจข้อที่หนึ่งกิตตปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกิจแล้วข้อที่สองก็ทรรมกิจให้ปาโมดลื่นเลงอยู่อภิปโมทยงปาโมดโมทยะนั่นแหละปาโมดปาปโมทยะปาโมทยั ง, ยยยยงกิจัำ ทำกิตให้ปาโมดลื่นเลิองอยูอ่เมื่อเห็นกิจแล้วก็ทำกิตให้ปาโมดลื่นเลิองอยู่แล้วกิจก็จะรวมเป็นเอกขจายกิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จะเกิดสมาธหังกิตตังเราก็จะเห็นกิจของเราสมาธาก็สมาธินั้น สมาธหางังจิตตังจิต ก, ก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิ ร, รู้รู้รูเฉยอยู่อุเบกขาเอกัณคตาลมรู้รู้อยู่เฉยเฉยเนี่ยสมาธหางังจิตตังตอนนี้จิต ก, ก็จะปล่อยวางปล่อยวางโลกวางอารมณ์วา ง, มวางสมมติออกโม สมาธหังกิจตังวางเป็นสมาธิตั้งมั่นสว่างสวัยผ่องไสอยู่จิตวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติออกหมดท่านเรียกว่าวิโมจะยังกิตตังทํากิตให้ปล่อยวางจิตจะปล่อยวางปล่อยวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติออกมดวางขันห่าออกหมด ก็จะเห็นอารมณ์พระนิพพานขึ้นมาอันนี้ท่านเรียกว่าเห็นจิตในจิตจะเห็นจิตของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิว่างปล่อยวางจากโลกวางจากอารมณ์วางจากสมมุติเรียกว่าวิบโมจะยังจิตตั้งมันง่ายๆนี่นะไม่ไม่ยากอะไร เมื่อกิตตั้งมั่นเป็นสมาธิกิจก็จะปล่อยวางจากโลกวางจากอารมณ์วางจากสมุติอารมณ์นี้แหละเรียกว่าพระนิพพานจะเห็นองค์พระนิพพานปรากฏขึ้นเป็นสภาวะรู้รู้รู้ว่างสว่างสวัยพ่องใสเป็นธรรมชาติอยู่นี่ มันอยู่ไกลไหมล่ะฮะพระนิพพานเราก็จะได้เจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันหาวิโมจะยังจิต ด, ดังจิตปล่อยวางจากโลกจากอารมณ์จากสมมุติจากขันหาก็เห็นพระนิพพานขึ้นมาอยบายจะหมูกนี่เองฮะ ทำไมว่าพาทำกันทำเอามันไม่อยู่ที่อื่นนี่หมวดที่สามข้อที่สี่จิตจะปล่อยวางจากโลกวางจากอารมณ์วางจากสมมติมดวางจากขันหาจะเห็นจิตเป็นธรรมชาติธาตุรู้รู้ว่างสว่างสวัยก็เห็ น, จ, นจิตในจิต เห็นจิตของเราวางโลกวางอารมณ์วางสมมติออกเราจึงจะเห็นจิตแท้ใจเดิมของเราว่างสว่างสวัยผ่องใสประพัดซ้อนแน่ง่ายๆนี่หมวดที่สามเมื่อจิตว่างจิตเข้าพักผ่อนนอนหลับเข้าพระวงังเต็มที่ ผวังแปลว่าจิตหยุดทำงานจิตพักอ่าภาษาบาลีเรียกว่าเข้าะวังจิตพักจิตหยุดทำงานเรียกว่าผวังเล็กะวังน้อยะวังใหญ่จิตเข้าผวังผวังคู่บาทก็เท่ากับคานิกะสมาธิ พระวังจรณะเท่ากับอุปจละสมาธิพระวังคุปเชทะเท่ากับอั ป, ปนาสมาธิหรืออั ป, ปนาชานันกิจพักผ่อนเต็มที่เหมือนกับเรากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วต้องออกไม่ออกไม่ได้เพราะมันอิ่มแล้ว ไม่มีใครบอกก็ออกจิตของเราก็จะถอนออกจากสมาธิเมื่อออกจากสมาธิมาจิตของเราจะนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานเราจึงเอาจิตเราไปน้อมและลึกนึกย้อนหลัง ผู้ที่ฉลาดกิดถอนออกใหม่ๆเปรียบเสมือนช่างเหล็กช่างทองเขาเผาเหล็กเขาทองไว้ในเตาหลอมให้ในเตาร้อนแล้วเขาจะใช้เขาจะเอาทองไปใช้ทำเป็นลูกประันธนต่างๆหรือจะเอาเหล็กที่แดงๆออกมาจากเตาอ่อนๆนุ่มๆอยู่นั้น มาตีเป็นมีดเป็นขวัญเป็นดาบเป็นหอกเป็นปืนได้จิตของเราก็เหมือนกันเมื่อมันพักผ่อนเต็มที่แล้วออกจากสมาธิจิตของเราจะคมจะกล้าเพราะว่าสมาธิเปรียบเสมือนหินรับมีดจิตจะคมจะกล้าเมื่อเอาจิตไปใช้งาน มันจึงจะเกิดประโยชน์เหมือนกับมีดเครื่องมือของช่างเขาลับเขาฝนใหม่ๆไปใช้งานมันก็คมมันก็กล้าจิตของเราจะเป็นคมกล้ามีพละมีอินทรีย์แก่กล้ามันจะไปเป็นอาวุธไปฆ่าจิเลสนั้น เป็นปัญญาแล้วก็เอาจิตของเราเนี่ยแหละเดินปัญญาฆ่ากิเลสมันจะฆ่าได้เร็วจิตคมจิตกล้าจิตมีสมาธิจิตพักพรเต็มที่ให้เข้าใจอย่างนี้นะจิตนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานน้อมจิต ผู้ฉลาดเขาก็น้อมจิตและลึกชาติหัวหลังไปเรื่อยๆหนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติร้อยชาติพันชาติมื่นชาติแสนชาติดูได้บุพเพนิวาสานุสติยานย้อนและลึกชาติหัวหลังบุพเพต่ปางก่อน ชาติแต่เก่าแต่ก่อนเราไปเกิดเป็นอะไรเราจะดูได้หมดนิวาสแปลว่า ท, ที่อยู่ที่อาศัยคือขันห้านี่ยละ่ะนิวาสแล้ เ, เกิดเป็นอะไรขันเป็นหมาหรือเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรมันรู้หมดเพราะว่ากิจคือธรรมชาติอันนี้ มันไม่มีประมาณธรรมชาติจิตส่วนลึกของเราไม่มีประมาณมันจะบันทึกบันทึกย้อนหลังไว้หมดชาติเก่าพบก่อนเอาไว้อุปมาอุปไมยเหมือนกล่องดำในเครื่องบิน มันจะบันทึกเอาไว้หมดมันลงกี่ครั้งมันขึ้นกี่ครั้งมันไปที่ไหนมันเกิดเหตุการณ์อะไรจิตของเราจะบันทึกเก็บอารมณ์เอาไว้หมดสัญญาอารมณ์เก่าเราไปเกิดชาติไหนเป็นอะไรได้ธาตุขันเป็นอะไรนิวาสบุเพนิวา นิวาสแปลว่าอาวาสแปลว่าที่อยู่ที่อาศัยปุเพนิวาสานุสติยานพร้อมกันนั้นก็จะไปรู้ทําไมทําไมเราถึงไปเกิดเป็นอันนั้นอันนี้เพราะ อ, อะไรพร้อมกันนั้นก็จะรู้ขึ้นมาอ๋อเพราะเราไปทําบาปทํากรรม ทำบุญทำบุญทำบาปบาปกับบุญนี่แหละจะบังคับกิตใสหัวของกิตให้ไปเกิดสองคนนี่แหละคือบาปกับบุญจะบังคับให้เราไปเกิดที่นั่นที่นี่เกิดเป็นอันนั้นอันนี้ก็จะรู้ว่าจุตูปดปาแต่ยานอย่าเห็นว่า ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไปเล่นชู้กับผัวเล่นชู้กับเมียฆ่าเมียตายฆ่าผัวตายมันร้อยชาติพันชาติหมื่นชาตินเนาะจึงได้มาเกิดตามผลของกรรมพระพุทธองค์จึงให้เชื่อเชื่อผลของกรรมทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปภาวาปไปแล้วไม่ก เราจะเป็นทายาตคือจะต้องได้ลรับผลของกรรมนั่นแหละไปเกิดตามผลของกรรมนั่นอยู่ตูปปาแต่ยานคนอื่นก็เหมือนกันเขาต้องไปทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมนี่แหละจะผักใสจำแนกแจ ก, กสัตว์ให้ไปเกิดอยู่ในภพนั่นภพนี้ภูมินั้นภูมนินี้ ท่านจึงให้เชื่อผลของกรรมไม่ใช่ไปอ้อนวอนได้อืมอ้อนวอนไม่ได้หรอกขอให้ไม่เกิดที่นี่มันเกิดตามผลของกรรมเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติตตาง ม, มีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัย ยังกรรมังกิตสามีกัญยาณาังวา ท, ทำเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปกัญยาณังวา ป, ปาปะกังเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นแหลนี่ญาโดยที่สองจะเกิดขึ้นมาเกิดจากกรรม คนจะไปเกิดอยู่ที่ไหนนโลกหรือสวรรค์เป็นเปรตเป็นผีเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหมก็เนื่องจากกรรมเท่านั้นเออให้เข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยการกระทาทางกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีกายจะกรรมทําทางกายก็เรียกว่ากายจะกรรมเท่านี้ทางวาจาก็วจีกรรมเท่านี้ ทางใจก็เรียกว่ามาโนกรรมเท่านี่นี่การรักษาศีลก็ยังให้รักษากายวา่าใจใจนี่นี่แหละมันจะเป็นกรรมขึ้นไปกายกรรมเอากายไปทําทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วไวจีกรรมเอาวาจาไปพูดดีก็ได้ดีพูดชั่วก็ได้ชั่วพูดไม่ดีปากก็เป็นสีนะพูดดีปากก็เป็นสี พูดไม่ดีปากก็เป็นสีถูกหมูเพื่อนตีปากแตกไม่ใช่ปากเป็นสีออกมานี่นะกรรมเห็นทันตานออไม่ใช่ว่าคนไปเกิดเป็นอันนั้นอันนี้เพราะอะไรก็เพราะผลของกรรมจุดตูประปาแต่ยัน รู้ว่าไปเกิดเป็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาอันนี้สองอันนี้พระพุทธองค์ก็เห็นก็รู้ต้นตอนตอน้นตอนกลางมัชชิมะปัจฉิมายามพระพุทธองค์จึงไปรู้ยานที่สามขึ้นมาเรียกว่าอาสาวกขยายน เมื่อรู้ทั้งสองอย่างสองยานนี้ใครก็ทำได้หรือสีชีพัยก็ทำได้มันเป็นยานโลจียะทำได้ไม่ได้เลือกปุตุชนคนสามัญเขาทำกันได้ ยานโลจิยะบุเพนิวาสานุสติยานจูปจูปปาตยานตูตูปปาตยานเป็นยานโลจิยะบุคคลธรรมดาสามัญก็ทำได้ส่วนอาสาวัคขยายานยานที่สามเนี่ยอาสาวัคขยายาน ยานสิ้นไปแห่งอาสักกิเลสไม่ได้อยู่ที่อื่นได้แก่กามาสาวะกามคืออะไรกามคุณห้านี่อาสวะคือกามกา ม, มาสาวะ หลงรูปเสียงกลิ่นรสกา ม, มาสะวะคนก็นมาติดอยู่ในกามใบใดบด่ใดแล้วข้าลูกข้าเมียข้าเฮียนข้าสาั้นกามาสะวะติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสนี่ไปไหนไม่ได้พวกเราตายคาลูก ได้คาเสียงได้คากลิ่นคารถอยู่นี้ผวดทพะอยู่นี้นี่ละกามาสวะภวาสวะอวิชาสาวะนี่สามอย่างนี้ยานตัวนี้จะได้เฉพาะ พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์จึงจะได้ญาณอาสาวักขญาณญาณสิ้นไปแห่งอาสาวกเลิอาสา ก, กา ม, มาสาะเกิดจากไหน รูปเสียงกินรถน่ยก็เกิดจากตายเห็นรูกพูได้ยินเสียงเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นในรถนี่แหละถ้าผู้ได้ไม่เคยภาวนาไม่เคยได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าสัตบุรุษเมื่อตายเห็นรูกพูดได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นในรถก็จะเกิด ยินดียิน้ายขึ้นมาทันทียินดีก็เรียกว่าอิทธาลมอารมยินดีพอใจก็จะเกิดลาคานุสัยตามนอนเกิดกิเลสคือความอยากได้ลาคะลาคานุสก็ตามนอน หรือเกิดสุขเวทนาอิทธลมนี่ยินดีพอใจเกิดราคานุัยตานนอนนี่เนกามาสวะไม่อยู่ที่อื่นเมื่อตาให้ลูกหูได้ยินเสียงกระมกได้กลินล่นลิ้นได้รสเหมือนกันถ้าไม่พอใจอ น, นิธาลมคือไม่พอใจไม่ยินดีไม่พอใจเกิดขึ้น ก็จะเกิดปฏิคานุสัยตามนอนความโกรธราคาคือความโลภปฏิฆะคือความโกรธเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันรู้ไม่จริงหลงว่ารูปมีตัวตนสัตว์บุคคลหลงว่าขั้นห้า มีตัวตนสัตว์บุคคลเห็นจึงว่าเราเห็นได้ยินว่าเรายินถ้าเรามีรูปคนอื่นเขาก็มีสัตว์บุคคลเหมือนกันจึงไปเกิดอารมณ์ขึ้นมาเพราะอวิชชานุษใสาตามนอนอยู่ในใจเราความโง่ความหลงตามนอนอยู่ในใจจึงทำให้เกิดนี่แหละ ลาคานุสัยปฏิคานุสัยอวิชานุสัยอนุสัยกิเลสนอนเนื่องอยู่ในสันดานเรา3อันนี้ถ้าใครสามารถเพิกลาคานุสัยถอนปฏิคานุสัยดับ อวิชานุใสไดน้นี่แหละไม่อยู่ที่ไหนดับอวิชานุใยได้ดับความรู้ไม่กิงได้ดับอวิชาดับความโง่ความหลงลงได้ความโลภความโกรธก็ไม่เกิดเพราะหลงว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นคันห้าเท่านี้เหมือนตาเห็นลูกกว่าสำคัญตนว่าเราเห็น ผูนี้ต้องละสักกายทิฐิให้ได้เสียก่อนเป็นพระโซดาบันจึงจะไปเมื่อได้ฟังคำสอนของสัตจบุรุษตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงจึงจะไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองหรือจิตลงถึงสมาธิฐานใหญ่รูู้เฉยอยู่นั่นนะ่ะเกิดปัญญา ขึ้นมาดับโลกดับอารมณ์ดับสมมุติได้จิตจงรู้อยู่เฉยๆวิโมจะยังจิตตังจิตปล่อยวางโลกอารมณ์สมมุติดมขันห้าดับอ่าจิตก็รู้อยู่เฉยๆเรียกอุเบกขาเอกขัดตาลมไม่ยินดีไม่ยินไล่ก็อันเดียวกัน ทำไมไม่ยินดียินลายเพราะรู้เท่าเข้าใจในรูปที่เห็นก็ไม่มีตัวตนมันเป็นก้อนธาตุก้อนธรรมเสียงที่ได้ยินก็ไม่มีตัวตนมันเป็นอนิจจังทุกขังนันตตาแล้วดับอย่างนี้ได้เรียกว่าอาสาวกขญาญญาณสิ้นไปแห่งอาสาวกิเลสดับความโลภความโกรธความหลงได้ ลงไปสู่อุเบกขาไม่ยินดีไม่ยินลย้ลยรู้อยู่เฉยๆวิโมจะยังกิตังก็อันเดียวกันทำจิตให้ปล่อยวางอยู่นั่นไม่ยินดีไม่ยิน้ายอุเบกขาอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าพระนิพพานท่านใครประครับประคองจิต จิตก็จะว่างจากโลกว่างจากอารมณ์ว่างจากสมมติว่างจากขันห้าปล่อยวางหมดจิตก็จะเป็นอุเบกขารู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยนี่แหละปัญญาไม่ใช่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เรานี่แหละ อาณาปานสตินี่นะทียแรกเกโตวิมุตรหลุดพ้นตอนเข้าสมาธิอยู่ออกจากสมาธิมาเราก็จะลักลู้เท่าเอาทันขันห้าว่าตอนเราเห็นอยู่ในสมาธิกขาขันห่าก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มี ออกมาก็มาแยกธาตุแยกขันธ์ออกเดินปัญญาวิปัสสนาผู้ที่ฉลาดก็เห็นในสมาธิว่าไม่มีขันห้าสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีอะไรไม่มีโลกไม่มีอารมณ์ไม่มีสมมุติไม่มีขันห้าไม่มีปล่อยวางได้หมด มิโมจะยังกิตดังกิตก็จะว่างจากโลกว่างจากอารมณ์ปล่อยวางโลกวางลรมอารมณ์วางสมุติวางกันให้ออกได้ก็เข้าสู่พระนิพพานเอาละพอให้พากันไปประพฤติปฏิบัติ ด, ดูให้มันปล่อยให้มันวางได้นะเอาละวันนี้ก็หมดเวลาหกโมง ฟังออกบ้างไหมล่ะฮะ้ออยู่ลมหายใจอันเดียวมาสรุปแล้วใช่ไหมอไม่มีอะไรดับลมหายใจลงได้ก็เห็นได้เกตโตวิมุตขึ้นมาดับลมหายใจลงได้ก็ดับกายได้ดับกิจได้กิจก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิบังคับลมได้ก็สำเร็จต้องรู้ว่าลม คือขันห้าลมคือวิญญาณลมคือขันห้าลมหายใจนี่แหละคือตัวเราต้องรู้หมดทวกพวกนี้มาภาวนาถ้าไม่รู้อันนี้ก็ดับอะไรไม่ได้ไม่เข้าใจเดินทางไม่ถูกเฟ้อออกไปแล้วไม่ใช่อุดชุงมอุดชุมอุชุสุปฏิปโน ผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงแนวตรงปฏิบัติอย่างที่ว่านีตรงตามศีลสมาธิปัญญาตรงตามไตรสิกขาเอาผ้าเลิกบปนีไปเอามันกันลมกับกิจเวลาเราภาวนาก็เอาลมให้ใจมาตั้งไว้จับดูลมเอาสติสติมา กำหนดรู้ลมเข้าลมออกถ้ามาวิตกวิจารณ์ก็เป็นฌานถ้ามากำหนดรู้ว่ามันเข้ามันออกอยู่ยังนี่กิจลมให้ใจจางคายให้ไปก็แล้วเห็นกิจตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้าเรามาวิตกวิจารณ์ลมเข้ายาวเป็นยังไงนี่ลมออกยาวเป็นยังไง ลมหยาบเป็นยังไงเคยเห็นร้องไห้ไหมลมหยาบหรือลมละเอียดร้องไห้ดีใจเสียใจฮะไมวฮะลมหยาบหรือละเอียดตอนนั้นฮะนั่นแหละนี่เขาเรียกวิจัยวิจัยดูวิจารณ์ดูนี่ธรรมะวิจยะสำโพชงวิตกวิจัยอยู่วิจารณ์ดูอย่างนี้เรียกว่าฌาน เมื่อวิโต ว, วิจารไปมาก็จะเกิดปีติสุขที่บอกเมื่อกี้ขึ้นมาก็เป็นเห็นเวทนาในเวทนาเกิดขึ้นเมื่อดับเวทนาลงก็จะเห็นจิตว่างเป็นธรรมชาติอยู่จิตตปฏิสังเวทีทำจิตให้ประโมทลื่นเรลงอยู่เมื่อจิตประโมทลื่นเลงอยู่จิต ก, ก็จะเป็นสมาธิทันทีสมาธหางจิตตัง จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตมันจะไปวางนะวางโลกวางอารมณ์วางส ม, มุติออกหมดท่านเรียกว่าวิโมจะยังจิตตั้งวาง่าเป็นธรรมชาติอยู่เพราะจิตมันวางโลกวางอารมณ์วางส ม, มุติวางขันห้าออกตอนมันนีได้เจโต ว, วิมุตติอยู่นีง่ายไหมล่ะฮะง่ายต้องทําให้ได้ <laughs> <Huh? S 2> <Yeah. S 1> ยากอะไรลมหายใจก็มีอยู่ทุกคนไหมอากาลิโกดูเวลาไหนก็เห็นต่อพาลูกน้องทํางานอยู่ก็เห็นลมมีลมอยู่คือเก่าเออกาลิโกไม่มีการเวลาสถานที่เมื่อลมหายใจดับลงแล้วก็เอฮิปัสซิโกนั้นเรียกมาดูเถิดนะนั่นนี่เรียกมาดูเถิดเรียกมาใครเรียก เรียกมาดูจิตเจ้าของตอนลมหายใจระงับดับลงนี่มันเป็นยังไงวิโมจะยังจิตตังจิตจะวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติออกหมืเป็นธรรมชาติรู้รู้เน่ง่ายไหมละ่ะพูดใส่กันได้หมดนะถ้าเข้าใจอานาปานสติสุดท้ายเห็นธรรมในธรรมก็เห็นลมหายใจเข้าก็เห็นขันห้าเกิดใช่ไหมละ่ะขันห้าก็คือรูปธรรมนามธรรม อั น, นิจจังอันทุกครั้งนัตตาก็คือธรรมดาเห็นธรรมในธรรมมันเข้ามันออกเป็นอั น, นิจจังทุกครั้งอนัตตาอยู่เราจึงเบื่อไหนคลายความยินดีดับขันห้าได้เอาละบาทนี่ไป